แต่เป็นกุศลแล้วมันจะไม่บังคับที่ภาคอุทิศอย่างนี้แต่ถ้าหากว่ากุศลนั้นเป็นอานิจจสัญญาในขั้นปริยัตก็ดีในขั้นปฏิบารก็ดีหรือในขั้นการทําใจก็ดีก็ปราลบในสิ่งที่ไม่เดีอย่างใดนั้นถ้าหากว่าคนที่เป็นคนนอกศาสนาหรือไม่ได้ปรารบไอ้เรื่องอนิจจทุกขงังขณัตตา เวลาเข้าไปทําบุญทํากุศลต่างๆเนี่ยบุญกุศลที่เกิดนั้นก็จะเกิดอาจจะเกิดปัญญาในแง่อื่นได้แต่ที่จะคิดว่าไม่เที่ยงเราคู่ให้ก็ไม่เที่ยงของที่ให้ก็ไม่เที่ยงผููรับก็ไม่เที่ยง แ, แล้กุศลธรรมกุศลกรรมที่ได้แล้ววิบากที่จะพึงกระโวยต่อไปกระโวยแล้วก็หมดไม่เที่ยงเขาอาจจะไม่ได้คิดเลยไปเห็นความไม่เที่ยง ความคิดวิจารว่าเที่ยงเที่ยงด้วยลลกุศลกิจนั้นแล้วก็วิการอย่างยึดติอย่างหวงแหนเหมือนอย่างคนอ่มามัจเรยะจัดเจนงแกตัวจัดต่างๆเหล่านี้จะไม่มีนะนั่นเมื่อคนที่กิจเป็นกุศลเนี่ยถ้าไม่มีความรู้สึกว่าเที่ยงอย่างวิจารนะนี่ก็ให้ฟังอีก ไอ้ทวิการแล้ว ม, มันจะคิดว่าเที่ยงคือมันไม่คิดในลักษณะว่าไม่ยังได้แน่นอนนะแต่มันจะคิดคิดยืนว่าเป็นของมัน่นคงเป็นของยั่งยืนไอ้ความรู้สึกอย่างเนี้มันมีแต่มันไม่ได้คิดเป็นตัวเป็นตางแล้วก็ยังอ่าเรื่องหนึ่งที่ผมผมตั้งหัวเรื่องว่าโกงไปทําไมนะฮะแล้วก็พูดเจาะไปถึงความรู้สึกของคนโกง ถึมแม้ว่าแกจะตายแล้วก็ยังอดโกงไม่ไดแล้วก็ไอ้สิ่งที่ได้มาก็อาจจะเป็นของทั่วข้าวแต่เขาจะไม่เห็นหนะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของทั่วขาววว้าวเราก็แก่แล้วอะไรแล้วจะตายแล้วทัศน์นาที่คิดแกโกงเนี่ยความรู้สึกมันจะมั่นหมายเหมือนก็เป็นของมั่นคงที่เราเรียกว่าลืมตาย เวลาเกิดความรู้สึกอยากจะได้อะไรของเขาอย่างดีจะจะมีความรู้สึกในลักษณะที่ว่าลืมตายแม้สิ่งที่มันจะเปลี่ยนให้ไปให้เห็นเห็นเนี่ยก็จะไม่คิดนะถึงใครจะพูดยังไงก็ไม่ได้ความรู้สึกความรู้สึกมันจะบ่งไปในลักษณะที่มั่นคงกับสิ่งเหล่านั้นอันนี้มนันเป็นเรื่องของนิกาสัญญาของ อากุศลธรรมจะมีลักษณะอย่างนี้แต่กุศลธรรมเนี่ยแม้ไม่ได้วิจารว่าไม่เที่ยงมันก็ไม่ได้คิดเป็นตัวเป็นต่ายอย่างนี้นะฮะอีเจน่าเราให้ทานเราก็มาได้มีความรู้สึกว่าคิดยึดมั่นในลักษณะอากุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วมันคิดอย่างนั้นแต่ถ้าวิจารณหรือ พูดอธิบายฟังก็จะรับความรู้สึกนี้ได้งา่ายว่ามันไม่เรียงจริงๆเวลาจี่เป็นคุณศนเนี่ยมันพร้อมจะรับความรู้สึกตั้งดีอย่างนี้ได้ง่ายน่นแส่ไหนนั่นีเรื่องนงเราก็ไปดูในอีกข้อหนึ่เป็นข้อที่ส0 สกาววันนีได้ถามว่าพระอาราหารันต์พึงเข้าสมาบัติมีปัทวีคสินเป็นอารมณ์หันนี้เป็นการเอาเหตุผลเรื่องตัวบุคคลที่มีความชัดเจนว่าพระอาราหันต์เป็นผู้มไม่มีวิปราชอะไรเหลืออยู่แล้ว อกภิษหมดแล้วแล้วเมื่ออภิษณหมดแล้วเนี่ยอ า, มมารมณ์ของอภิษณที่มันคิดต่างๆนาน า, น า, นาเมื่อมันยังมีอยู่มันเกิดกิดมันก็หมดไปด้วยมันไม่มีดันั้นพอมาถึงชั้นรหลานเนี่ยท่านจะเห็นอะไรในโลกนี้เห็นใครในโลกนี้ถึงท่านจะไม่วิจารณ์อันนี้ละเอียดชัดเลยไม่วิจารณ์ว่ไาไม่เที่ยงนะไม่สวยนะยังองี้อย่างนี้นะ่ะแต่จะไม่มีความมั่นหมาย ด้วยสมมติอย่างที่อากุศล ม, มั่นหมายและถ้าวิการวิการนี่อาจจะหมายถึงความรู้สึกที่อยู่หลังจากเหมือนอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าจิตแพทย์คุกคลีพูดคุยกับคนป่วยของตัวเองแม้ว่าไม่ต้องมาคิดว่านี่ฉันเล่นนะฉันสมมตินะ ค่อยบอกค่อยเตือนตัวเองหรือคอยเตือนคนใข้คอยเตือนคนเราข้างแม้ไม่ได้คิดอยู่อย่างนี้ไม่ได้พิจารณ์อย่อย่างนี้แต่ความรู้สึกหลังฉากมันจะคุมอยู่มันจะบอกอยู่ว่าไอ้ที่พูดไปเนี่ยตัวไม่มั่นหมายไม่ได้ยืดติดนั้นพระพรหันเนี่ยท่านรับรู้สมมุติได้อะไรได้อย่างมลึกลึกลึกละถือว่าเป็นความเฉลียวฉลาดคือมามากลับสารปัดกันกับที่เราเคยคิดกันอยู่อย่างหนึ่งว่า เราเนี่ยเราก็มีความสู่กับลหลักฐานนั้นท่านพ้นส ม, มุติแล้วท่านไม่ควรจะเข้าใจอะไรในโลกได้แต่าในทางหลักกับกลายเป็นว่าคนเหล่านี้ควรแก่สมมุติทั้งในด้านของการที่จะรับทราบสมมุติของคนอื่นเมื่อไม่ฟังใครพูดท่านจะฟังและจับไอ้ปรามัดจับคางที่แก้สมมุติได้เนื้อสมมุติขาเขา้าท่านสมควรที่จะรับฟังคนอื่ สมควรจะรับทราบกฎกติกาต่างๆอย่างคนอื่นและสมควรที่จะสันเดงสมมติของตัวเองเนี่ยไปยังบุบคลอื่นเวลาจะอธิบายที่แจ้งต่างๆจะให้ความปลอดครองในการเสนอสมมุติ ด, ดีกลับกลายเป็นอย่างนั้นแต่คนที่ติดสมมติมากๆอย่างเราเนี่ยกลับไม่ควรนะเพราะว่าตอมาติดเขาแล้วมันเลยกลายเป็นเรืเรียกว่ามันกัดแข่งการจัตัวเองนะฮะ อย่างเราที่เราติดติดเนี่ยเราคิดว่าเราปลอดโปร่งในส ม, มุดดีเปล่าอ่ะกลายเป็ว่าูกสมมุติมันท่วรับ<ม>เราก็เลยกลายเป็นคนที่กระดิกกระดี้อะไรลําบากไม่เป็นอิสระในทางที่จะอะคิดหรือยุ่งเกี่ยวกับส ม, มุติในโลกนี้แต่พระอรหันต์นั่นท่านเป็นอิสระเพราะความที่ท่านเป็นอิสระจากสมมุติในจึงเป็นผู้ที่สมควรที่จะบริหารสมมุติหรือจัดการยุ่งเกี่ยวกับส ม, มุติ ก็กลายเป็นงานปั่นเราเึกว่าอย่างเด็กๆเนี่ยเด็กๆสมมุติมากนี่ไม่สมควรจะสมมติคนป้าพอดีสมมติมากก็สมควรจะสมมติแต่ว่าคนที่ไม่ถึงก็เป็นป้าเป็นเด็กนั่นก็มีความสมควรเนี่ยสมมติมากกว่าก็เราคิดด้วยง่ายว่าบางคนเนี่ยแค่สมมุติบางอย่างเนี่ยอุตสาห์บอกว่าสมมุติแล้วนะยังอุตสาห์ถือเลย บอกวพูดเล่นแล้นะอย่าบุลาถือปูดไปแล้วจะอดโจดไม่ได้อดถือสาไม่ได้แต่ว่าอันนี้ถือในทางข้างลบอะแต่ถ้าในทางส ม, มุดดีก็อดดีอกดีใจถือเส้นไม่ได้เ่นบอกส ม, มุดว่าเออวันนี้เกิดคุณถูกรางวัลที่หนึ่งว่าไงแหมยกมือดวงมือบอกเดี๋ยวคุ้คอยน้อง อ, อนปากนึกว่าเป็นจริงเป็นจังเลยดีออกดีใจซะดุม่ก แต่คนอย่างเนี้ยไม่สมควรนะเพราะนั้นไม่สมควรเพราะว่าใจใจเยียงไปในทางชังก็งายใจใจเยิงไปในทางรักก็ง่ายเพราะว่าอิริคนส ม, มุดครอบงำนั่นไอ้ภูุลัทิธธิเนี่ยยิ่งหนานแน่นก็ยิ่งวิปรัชมากยิ่งจังมากหนานแน่นน้อยหรือไม่มีเลยก็จะเป็นผู้ที่อิสร ะ, ะเป็นที่เลยปลาหันนั่นเป็นยังไง ดัง น, นั้นพระอรหันต์ท่านยังเข้าฌานที่มีปัตตวีกสินเป็นอารมณ์ซึ่งก็จะเห็นว่าปัตวีกสินเป็นส ม, มุดเหมือนกับคนอื่นเข้าหรือเหมือนกับที่ท่านเข้าตอนที่ท่านไม่ได้ทําไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่ว่าความต่างตรงนี้คือขณะที่เข้าฌานเนี่ยเมื่อเป็นพระอรหันต์หรือเมื่อเป็นบุตรชนเมื่อจิตเป็นฌานอยู่เหมือนกันเกิสิเข้ากัน สำนึกทุกสิ่งทุกอย่างเท่ากันต่างกันตรงที่ว่าเมื่อเป็นพระหลานออกจากฌานแล้วปัจเจเวถึงการพิจารณาถึงฌานน่วงนึกถึงฌานไม่เกิดกิเลตในฌานคือไม่เกิดวิปลาสในฌานนั้นเช่นดวงกระสินที่ท่านเพ่งเป็นอารมณ์เมื่อเข้าฌานท่านก็ไม่ได้คิดว่านั่นเป็นตนของท่านแล้วก็ไม่ได้คิดว่าฌานที่เพ่งกระสินนั้นเป็นตนของท่าน บางพวกเอากระสิงเป็นตอนบางพวกเอาจานที่เป็นกระสเป็นตนมีหลายพวกแตกต่างกันแต่พระสานจะไม่มีเลยไม่ว่าวิบลากอะไรทั้งนั้นจะไม่เกิดขึ้นทั้นั้นไอ้วิบลากในวันนีมันเกิดขึ้นกับปรมาตมมันก็กลายเป็นปัญญัติที่เกิดขึ้นกับปรมัตมคืออย่างกรมีิานเนี่ยถ้าว่าคนนั้นสําคัญชานว่าเป็นตนก็หมายความว่า อัตตาอิปลาสนั้นเกิดขึ้นจากปรมัตสปภาวะเอาปรมัตสภาวะมาเป็นอารมณ์อิปลาสแต่ถ้าหาว่าเกิดขึ้นกับสิ่งที่ตัวเ่งเมื่อเขาา้าใจเป็นปฏิบักษ์อะไรนี้ว่าเป็นตนอัตตาอุปลาสซึ่งเป็นบัญญัตินั้นเป็นบัญญัติป้องกุศลนั้น เ, เกิดขึ้นกับบัญญัติที่เป็นอารมณ์อกุศล นี่เจะเห็นว่าพีเรศเนี่ยมันปลาลกกุศลเป็นที่วิปลาสกระดาปลาลกอารมณ์ของกุศลเป็นที่วิปลาสกระดาแล้วก็ตรงเันข้ามกันคนที่ทำลายวิปราสเนี่ยอาศัยอาคุศลเป็นเครื่องทำลายวิบาสกระดาอย่างว่าคนที่กำหนดรู้าอาบุศละธรรมกำหนดรู้นิวรทั้งหาตัวเหตุเกิดของมันความดับของมัน ไปต้นแล้วก็คุศลละทำก็ยิ่งจเจเลยเพราะนั้นไอ้ตรงนี้นที่เราบอกว่าอากุศลดีไหมอักุศลดีไม่ ด, มดีแล้วก็บอกว่าในตัวอักุศลเองในเหตุผลในตัวมันเองนั้นไม่ดีร้อยเอเเอาแล้วทำไมเมื่อบุคคลมาเจริญวิปัสสนาด้วยการเอานิวัฒนาเป็นอารมณ์กึงบรรลุได้อย่างั้่จะเรียกเป็นความดีของตุหรือ ก็บอกว่าไม่ใช่หรอกเป็นความดีของขอูุสนที่ไปเพ่งอกุสลเป็นอารมณ์แล้ไอ้ส่วนดีนี่มันดีที่ตัวจิต ท, ที่ไปเพ่งเหมือนไปเพ่งฆักศพศพก็คือเป็นศกไม่มีค่าละแต่จิตของบุคคลผู้ไปเพ่งศกนั้นได้ทำคุณค่าให้เกิดขึ้นกับตัวจิตเองโดยอาศัยตักศเป็นอนุก็เลยเป็นว่ากุศลธรรมและอารมณ์ของกุศลธรรม อากุศลธรรมและอารมณ์ของอากุศลธรรมต่างฝ่ายต่างก็ช่วยเอากันและกันเป็นประโยชน์แก่ตัวอ า, าุศลเอาไปเป็นประโยชน่ก็เป็นเป็นโทษแก่ผู้เป็นเจ้าของอกุศลนั้นอากุศลอไปเอ า, ากุศลมาเป็นประโยชน์ก็เป็นคูณแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของอากุศลธรรมนะ้นจะนี้อย่างระหลามเนี่ย ท่านเข้าปัตวีกระสินก็ไม่ถือว่าวิปัสสนาทั้งขณะเข้าและขณะออกดนั้นเราถามพระวารีข้อนี้นะ่ะก็ควรจะถามต่อไปในข้อที่เว่าผู้เข้าสมาบัตรมีปัตวีกระสินเป็นอารมณ์มีความรู้ผลิตพระอรหันต์พึงเข้าสมาบัตรมีปัตวีกระสินเป็นอารมณ์หรือ พระวารีตอบว่าใช่การตอบว่าใช่ทั้งสองข้อนี้มีผลต่อความเข้าใจของพระวารีเป็นอนมากสาเหตุว่าสารไม่มีวิบากแล้วดั ง, ดงกล่าวมานะแต่ว่านี่ก็พระวารีก็ไม่แบ่งคอาว่าถ้าพระอรหันต์เข้าม่เป็นวิบากพระปุถุชนเข้าเป็นปวิบากเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นนะแต่พูดอย่างนั้นก็ผิดอีกแหละก็ไม่รอดดีแหละ คึอจะมันจะกลายเปน็นนวิปลาากับบางคนไม่วิปลาากับบางคนไม่ได้แหละราะว่านวิรล่าก็ต้องวิปล่าอย่างเรียกว่าเป็นปรมาจแล้วก็ต้องยืนกับปาวะไม่เป็นอย่างนั้นกับอีกคนหนึ่งแต่เป็นอีกอย่างในการอีกคนหนึ่งในข้อที่สองเราเลยถามจัดเจนลงไปว่าถ้าอย่างนั้นพระาอารหันยังมีความเห็นผิดอยู่หรือ ที่ยกคำว่าเห็นผิดมาในยก เ, กเฉพาะโซ ท, ทิสติวิลาห์นะมาะรอบปารัสวาจีก็ตอบเป็นสองอย่างอย่างแรกตอบในเนื่อนไขของหลักการว่าซ า, า, าราหันั้ไม่มีความผิดเพราะทิศสีซาราหันนั้ความจริงก็ละได้ตั้งแต่สมไมเซนโซดบันแล้ว ไม่มีความมิจิตแน่แต่ที่หลังเกิดต่อว่ามีความมินผิดแต่ครั้งม่าพระารหันยังมีความมินผิดตรงนี้ปาราวาตีพยายามที่จะกระเดียดความเข้าไปหาหลักเดิมของตัวว่าการรู้การกระทำสมมุติให้เป็นอารมณ์เนี่ยถือว่าเป็นความวิปลิตทั้งนั้นเพราะมันไม่ตรงกับความจริง น, นะฮะเออ ปูที่ทนรับสมมุติเป็นอารมณ์วิจิดอะไรอะไรก็เรียกว่าเป็นวิปปิตเพราะอารมณ์มันไม่กลมนะละอาหาันทำอะใดรู้สมมุติก็ถือว่าเป็นอารมณ์วิปปิตเหมือนกันคือมันจิดที่อารมณ์อารมณ์มันไม่กลมกว่าความจริงก็เลยเรีกว่านั่นแหละเป็นความรับรู้ที่เรียกว่าเป็นความเป็นจิตในที่นี้นของพระอาตา เลยฟังแล้วก็แลเห็นว่าไปเปเฟใหญ่ๆคือเรื่องค่าของความรู้และความไม่รู้เนี่ยถามว่ามันอยู่ที่ไหนนี่เราต้องตั้งหลักตัวนี้ให้ชัดเจนนะอยู่ที่ไหนค่าของความรู้ค่าของปัญญาตอบว่ามันอยู่ที่ตัวปัญญาและหรือตัวอวิชชาต้างไฟครับททน และตัวปัญญาเนี่ยมันไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้รู้แต่สิ่งที่เป็นสิ่งดีไม่ใช่ว่าคนจะเจริญปัญญาได้ต้องปัญญารู้ปัญญาเท่านั้นสิ่งจะได้ปัญญาไม่งั้นก็มันก็แย่ปัญญานเป็นสภาวะทมอย่างหนึ่งที่คุรรู้ต า, ามความเป็นจริงอวิชชาซึ่งเป็นอุติธรรมตรงข้ามปัญญาก็เป็นสิ่งที่ควรรู้นะเพราะนั้น ปัญญาของบุคคลนั้นจเจริญได้ด้วยการอาศัยปัญญามาเป็นอารมณ์เครื่องเจริญก็ได้อาศัยอวิชาหรือโมห์มาเป็นอารมณ์เครื่องเจริญก็ได้เกี่วเมื่อไม่รู้ก็รู้ไม่รู้จิตนี้จิตมีโมหตะตาโมหะจิตก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าจิตไม่มีโมหะะจิตนี้ิจิเลตใดๆอื่นๆ ที่ว่าไว้แต่ละหลายอย่างเนี่ยก็รู้ว่าจิตเป็นที่มีกิเลสนะของตัวเองหรือของคนอื่นก็ได้จิตไม่มีกิเลสก็รู้ว่าจิตไม่มีกิเลสจิตตั้งมัน่นจิตสูงจิตต่ำโผล่ขึ้นมาก็รู้แปล ว, ว่าในหลักทางศาสนาเนี่ยคนดีคนเลวของดีของเลวอิสาลมันนี้สาลมนั้น มันทําอันตรายเราได้ประโยชน์หาประโยชน์จากมันก็ได้ปล่อยให้มันทำอันตรายเราได้มันอยู่ที่การตั้งหลักในใจของเราถ้าเรามีมรรคการดีพอมีโยนิโรตนการดีพอเราก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งเลวจากคนเลวจากสถานการณ์ที่เลวแต่ถ้าหากว่าเราไม่ดีพอมรรการไม่ดีพอเราก็จะได้ความขาดคุนเสียประโยชน์จาก ความดีไป่ต้พูดเลยดีเลวนะความดีคนดีเนี่ยถึงจะอยู่ใกล้คิดบ้านติดวัดอยู่เป็นรูปธรรมเนี่ยใกล้คิดแต่ว่าไม่ได้ไประโยชน์จากความดีจากคนดีจากหลักสติปัญญาเหล่านั้นเลยนี่คือขั้นไม่ได้พิโข่เนี่ยก็ฟังรู้ธดรนัวนนิดแต่บางคนเนี่ยอาจจะได้โปดกับสิ่งดีจากคนดีกับอะไรที่เป็นเรื่องดีๆ จะกลายกันว่าของสิ่งหนึ่งที่เป็นของดีมีประโยชน์อย่างพระพุทธเจ้าพระเทวทัตขัดขุนว่าทั้งที่ใกล้ชิดมากมีความผัวทั้งโดยโคดโดยอะไรก็แต่เดิมมาก็าปูฟันกันมาสอคนเทวะะ่กกานหับปัจจัยแล้วก็โดยความเป็นญาติเกี่ยวข้องในระยะต่อมาก็เป็นที่เคยน้องเคยเป็นที่เคยน้องเมียกัน แต่เป็นน้องเขยนะน้องเขยก็ปีนียแล้วก็ยังอุตส่าห์มาบวชด้วยกันเป็นสาวกด้วยกันก็ไม่ได้ประโยชน์คือขาดหุด่แต่ว่าคนอีกเป็นจานวนมากได้ประโยชน์ไอ้ตัวนี้เป็นหลักสําคัญมากเมื่อตาฝาสนานะฮะทั้งในหลักสูงหลักต่ําว่าอะไรที่ไม่ดีแล้วเรามองก็้วทำยังไงถึงจะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้น แต่ว่าโดยสรุปเนี่ยผมนึกให้หลักว่าตั้งกิตเป็นกุศลไว้กับอะไรอะไรทั้งหลายเนี่ยว่ามีทางขัดทุนกับทุกๆสถานการณ์เลยแต่ถ้าจิตเป็นอกุศลแล้วต้องขัดทุนนะให้ไปอยู่ที่ไหนบวชหรือไม่บวชยังไงก็ขาดทุนนะั้ะบางทีอาจจะขัดทุนมากกว่าตามตาไม่ไม่ตัวเองมีพื้นฐานได้ดีพอเนี่ยเออ อย่างเช่นมีเรื่องนะมันเป็นข้อแปลกอันหนึ่งว่าอย่างการรักทรัพย์เมื่อก่อนมานี่ก็ไปพูดเรื่องนี้เรื่องการรักทรัพย์ว่าไอ้คนมากคนน้อยเนี่ยราคาทรัพย์สินก็เป็นเป็นเกณฑ์อันหนึ่งแล้วตัวผู้เจ้าของทรัพย์สินที่เราไปรักของเขามาโดวยวิธีการใดๆโดยสถานการณ์อย่างไรก็ตาม ประวัติกเกนว่าถ้าคนไหนมีสีสูงใครไดรักของคนที่มีสีมีทางสูงก็ขาดคุนมากอย่างเช่นการรักของข้าราชกาท่านไม่ห่วงก็ยิ่งลยิ่งบาปมากนี่ข้างฝ่ายเจ้าของทรัพย์แต่ถ้าข้างฝ่ายผู้รักทรัพย์แล้วทรัพย์ต้องเงินข้าผู้รักทรัพย์เนี่ยถ้าหากว่าเป็นผู้มีสีสูงมากกับบาปมากอันนี้ไม่ได้ว่าอีกรูใจจ่าบอกจะรู้ว่า คนไม่ไม่มีศีลแล้ไปหลอกข้าวเขากินนังมือบาปน้อยแต่ถ้าหากว่าเป็นปลาเนี่ยไมไ่เป็นปลานี่แค่ว่าไม่พิจารณาปฏิสังขรณ์ยังถือว่าเป็นนี่เป็นนี่ใครเป็นนีโยมเป็นนีศาสนาแต่ถ้าหากว่าตัวไม่ใช่สมณะแล้วปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะแล้วไปบินทา่านเอาของเขามาอุปโภคบริโภคนี่บาปมากสมวพุทธเจ้าพูดไว่น่าดูลเลยจริงจร เ, เคยเลยท่านคงจะเคยผ่าหนหูผ่านตามาแล้วกลับเป็นบาปมากเอเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านไม่เคยเทศยโยไว้คนไปไปลวงขอเขากินไงว่าไ้กินก็นเหล็กแดงดีกว่าแต่เวลาพูดกับพระนั้นบอกกินก้อเหล็กแดงดีกว่ากจะกลายเป็นงานปั่นั้งทีในความเป็นพระเนี่ยก็เรียกว่ามีศีลสูต แต่ น, นี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าปลักตาลปัดกันไปไ่เป็นแง่มุมหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นจึงใกล้ๆเราเรียกว่าึงว่าการตั้งหลักให้จิดเป็นคุณศนไว้เพื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่น ๆ, ๆทุกเรื่องนี้เราไม่ขัดทุนสักเรื่องเดียวเราขัดทุนหรือไม่ขัดทุนหรือไม่ใช่สิ่งอื่นจะมาทําคนอื่นเขาเกิดในกุศลจิจอยู่เราก็ไม่ปรายาขัดทุน ว่าเวลาเขาอ่าขาดจิตแทนแล้วเราไม่กระตุนถ้าเราตอบรับความเปลี่ยนแคลงของเขาด้วยจิตเป็นตรงเป็นข้ามกันเราก็ได้กำไรในความแคนงของคนอื่นครับภูทำเราก็สูงขึ้นดุลเอาลนะทีนี้มาดูต่อไปอในข้อถัดไปคือข้อที่สิบสประวัดะกะวาวตีถามประวัดีว่า และราหาันยังมีความสำคัญผิดมีความคิดผิดมีความเป็นผิดอยู่หรือคาถามที่สามนื้อสือเนื่องมาจากคาถามที่สิบสองที่ร拉วาตียัดความตอบให้เคลื่อนไปว่าเห็นผิดเนี่ยคำพูดคำนี้า拉วาตีหักความหมายไปเป็นเรื่องของว่ายานรู้ผิดต้องมีอารมณ์เป็นสมุทรลาหาน ร, รั่วอารมณ์สมุทรนห้เป็นเรื่องผิด จริงๆมันไม่ใช่นะอารมณ์เป็นอกุศลหรือเป็นอะไรเนเป็นที่อาจไปเกิดของปัญญาได้จังนั้นจริงแต่ว่าอปัญญารู้สมมุติก็ต้องรู้โดยความเป็นสมมติไม่หลงว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่มีความรู้สึกจริงจังทั้งโดยโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามนะรู้อกุศลก็รู้ว่าเป็นอกุศลไม่ได้น้ำคัญเห็นเป็นอย่างอื่น รู้กุศลก็โดยความรู้กุศลแต่ถ้าเป็นอกุศลแล้วเนี่ยรู้กุศลมันก็คิดกลับสา ร, รปัิไปรู้กุศลรู้อกุศลก็คิดไปอย่างหนึ่งแล้วก็รู้บัญญัติก็คิดของมันไปอย่างหนึ่งด้วยความรู้สึกอย่างหนึ่งจึงเป็นเรื่องไม่ไม่เอาไอ้เรื่องอารมณ์เนี่ยมาเป็นตัวกําหนดคุณค่าของความโ ง, ง่ความเจรเป็นสาระสําคัญต้องเอาความรู้สึกที่มีต่ออารมณ์เหละนะ่านั้นเป็นสําคัญ ่ทีนี้เมื่อเราถามชัดเจนลงไปว่าที่ว่าเห็นผิดที่ตนตอบรับข้าพเจ้าในคำถามที่สองเนี่ยหมายถึงทิศผิที่เป็นเจตสิกตัวหนึ่งไป็นสังโยชนตัวหนึ่งหรือไม่พระถ้าเป็นอย่างนั้นพระอาหันต์ยังมีทิศสังโยชน์ น, ชนั้นหรือมีทิศฐานสว่านั้นหรือมีทิศตีพิพลาสนั้นหรือหรือมีมิจฉาทิศนั้นหรือมี ทิฏฐิปรามาสนั่นหรืออะไรต่างๆพวกนี้หลายๆชื่อหลายๆว่าหามเจร น, นา น, นี่นะปรัวาดีก็จําเป็นต้องปฏิเสธครับเพราะว่าคําพูดเราได้ตีร้อมไว้ด้วยความที่ชัดเจนเนี่ยปรัวาดีที่ไม่ได้จึงต้องตอบว่าไม่มีลาภไม่มีทิฏฐิกิเลสแล้วเมื่อไม่มีทิฏฐิกิเลสจะมีทิฏฐิวเวลาไหนใน ข้สิบสี่เราถามว่าพระอรหันต์ไม่มีความสำคัญติมไม่มีความกิจเห็นผิดหรือปราวทีต่อบระับชัดเจนนะว่าไม่มีก็เราก็เลยสรุปว่าหากว่าพระอรหันต์ไม่มีความเห็นผิดนะไม่มีความสำคัญติดกิจก็ต้องในกล่าวร้านได้มีความเห็นผิดอยู่เนี่ยก็หงว่าปัญญาลูกผิดต่างๆวิปลาสฝ่ายกุศลเน ตรงนี้ไม่ได้ข้อ15ห้าปราวาีเขจะถามลรากระถามว่าไม่พึงกล่าวว่าคู่เข้าสมาบัตมีปตวีกสินเป็นอารมณ์มีความรู้วิปริตหรือปาราวาจีตอบว่าใจไม่ควรพูดไม่ควรพูดว่าคนเข้าทานสมาบัตที่มี สมมติอาเป็นอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยว่านั้นเป็นวิปริตฝ่ายปัญญาหรือวิปริตฝ่ายกุศลไม่ควรเลยไม่ควรโดยเหตุกาดเลยเพราะว่าปัญญานั้นเป็นของมีค่ะเป็นของทําลายความวิปริตที่ได้ตามปัดโดยที่อาศัยอารมณ์เป็นเครื่องอบรมต่างๆกันและคนที่จะทําลายวิปรากฝ่ายเพื่ อ, อาจจะถอนความสาคัญผิดในอารมณ์สมมติเนี่ย ก็ต้องเข้าใจสมุดโดยความเป็นสมุดด้วยนะอันนี้เป็นหลักแน่นอนอันหนึ่งโดยทีเดียวเห็นสมุดอย่างจับกระจำใจเลยซึ่งในสมุดในทางหลักลึกๆอย่างในขั้นลัพธธรรมเนี่ยโลกเข้าใจยากเข้าใจยากมากพูดกันแล้วก็ลึกหนักหนักๆเข้าก็รู้สึกว่าจํานั่าก่อใจเยงกันก็ขนาดว่าการแสดงธรรมการจัดปรมาธรรม เป็นเรื่องที่สมมุติเท่านั้นเลยนะว่ามาักว่าการประหารอิเล็อะไรพวกนี้มันไม่ใช่แค่สมมุติแค่วัาหานะันเป็นการจัดความจัดกระบวนความต่างๆว่าเท่านั้นเท่านี้อย่างนั้นอย่างนี้นะเป็นอักษรสมมติขั้นลึกที่เขา้าใจได้ยากเพราะนั้นเวลาจึงมีบทแสดงคำอีกบทหนึ่งที่แก่สิ่งเหล่านี้ แก้กลับสิ่งเหล่านี้ว่าอย่างที่เราเคยอย่างใ น, นกระทั่งวัตุนี้ก็พูดมาแล้วหลายเรื่องว่าการฆ่ากิเลสเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะฮะแล้วก็ความเจริญปัญญาหรือเจริญอะไรต้องมีอะไรมันคืออะไรกันแน่เนี่ยจะมีบทเอ็ดบทนี้แล้วพระศาจิกได้เก็บ เ, เอามาประมวลบอกบางทีว่าที่เราพู ด, พดกูดเนี้แล้วม็นบางทีนึกเป็นตูเป็นตากไปว่ามักว่า อโลกุตาลข้ามพน้นนะฮะหัวสูงกว่าลึกอะไรต่างๆพวก น, นี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องพูดกันมาคือพูดเอาโปรดอสัมภูตเหล่านี้ที่บางทีมันมาปังความเข้าถึงในทางลึกของเรานี่นี่เป็นกรณีบัญอักขระบัญญัติในทางลึกที่พูดกันยากเป็นพิเศษทีเดียวอาจารย์ว่านคงจะ พูดกันไม่ได้ขณะเรื่องตงนเนี่ยก็ยังเข้าใจเป็นลําบากเรื่องสุภาพก็เข้าใจเป็นยากในทางหลักการนั้นอย่าไม่พูดถึงความรู้สึกความรู้สึกนั้นก็เห็นได้เสมอเสมอแล้วนะว่าเวลาเกิดอารมณ์โศขึ้นก็จะรู้สึกเท่าๆกันมากบางไม่บางก็ต่างแต่ว่าอยู่ในเกณฑที่รู้สึกเป็นจริงเป็นจังเหมือนกันแต่ในทางหลักการเนี่ยเป็นเรื่องที่ ถึงเราปฏิเดแล้วก็พอรับตาบหลักการได้แต่ชาวบ้านนั้นยังยังรับได้อยากเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เราก็มาดูในข้อที่สิบหกที่พระบา ท, ทีเขาจะถามว่าอันนี้ก็จะให้เหตุผลของเขาแล้วครับว่าปัทวีกสินปรากฏแก่ท่านผู้เข้าสมาบัติมีปัทวีกสินเป็นอารมณ์อยู่เป็นดินล้วนเทียวหรือ ล้วนเนี่หมายถึงดินบริสุทดินบริสุทดินแท้แท้ดินดแท้และดินแท้เนี่ยจะเจ้าแท้ขั้นไหนตาดินแท้แท้จริงๆคือประตูวิชนะคือความแข็งแล้วก็พอมาอีกขั้นหนึ่งเอาแท้แบบโลกดินดินที่เป็นดินจริงแบบโลกที่เรียกว่าโลกสมมติ คือไอ้ก้นดินก้นดิที่เอามาแต่งเป็นดวงมฤตยูที่เอามือไปแตะดูเนียว่าเราเนหะจะดินแค้แบบโลภเอาเป็นว่าลวนๆวนคือจะแท้แบบโลกหรือแท้แบบสภาวะที่อยู่ในในความเป็นดินนั้นน่ะเวลาเข้าทานไม่ได้เอาสองอย่างมาเป็นอารมณ์เลยติตอนได้ทานแล้วนะฮะไอตอ น, นแรกก็ไม่ได้เอาแข็งมาเป็นอารมณ์ ไม่ได้เอาปรมาณูเป็นอารม ก, ก็เอาดินเอาแท้แท้แบบโลกเยังเป็นสมมุขมุขกันมืน่มเป็นอามณแล้วก็ค่อยๆสลัดดินล้วนแบบโลกดินแท้แบบโลกออกไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยอย่างในวิสุทธิมรมรยายเอียดพิษดานว่าไอ้สามทีแรกเป็นอย่างงาน่นเป็นตุ่มเป็นแต้มอะไรก็ตามก็ค่อยๆไมนมีหมดไปไอ้ที่เป็นส่วนใหญ่ก็ค่อยๆกลายเป็นละเอียด จากบริกรรมนิมิต ท, ท, ที่ทําในเบื้องต้นก็กลายเป็นอคอคาริมิตในธํรมราว่าอะครนี้ก็ติดความรู้สึก